ธรรมเทศนาลำดับที่13บสาโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่ารักมากก็ทุกมากวันนี้เป็นวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ัวันนี้เป็นวันพระแรมแดค่ำเดือนส2บสอง เป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราคณะสัตธาญาติโยมแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าพวกเราท่านทางหลายไม่ควรจะปล่อยปละละเลยวันไหนก็ไม่สําคัญก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นศาสนาอื่นอย่างคริสต์หรืออิสลามที่พวกเราเห็นเขาก็ยังให้ความสําคัญในวันศาสนาของเขา้า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 มีแต่เห็นแต่ทางโลกโลกโหโมกณนะเรื่องลาบเรื่องยศพอกพูนเข้าทางจิตใจเข้าไปเรื่อยๆทางศีลธรรมจริยธรรมห่างเหินออกไปนั่นน่ะทามันใกล้ไปดังหนึ่งมันห่างไปดังหนึ่งนะตามไม่จริงถ้าหาว่าห่างถ้าว่าเข้ามาสู่วัดวาศาสนาศึกษาธรรมะทางจริยธรรมคือทางด้านจิตใจพูดง่าย แต่ที่ว่าออกไปทางนอกนั่นก็คือออกไปทางการธรรมหาเลี้ยงชีพการธรรมหาเลี้ยงชีพคือการเป็นอยู่ทางรู ป, ปรธรรมรู ป, ปรธรรมคือเลี้ยงร่างกายยศฐาบรรดาศักดิ์ราบยศสนรเสริญที่มองเห็นโลกทั่วๆไปแต่เท่าเข้ามาสู่ทางวัดวาศาสนาเนี่ยเข้ามาส่งเสริมเรื่องนามรธรรม ส่งเสริมทางด้านจิตใจแต่โลกทั้งหลายเขามองไม่เห็นทางน้ำมาทมเนี่ยเขาก็เลยทำให้ห่างเหินไปเห็นแต่โลกทางโลกมันมองเห็นทำอะไรมันมองเห็นก็เลยให้ความสำคัญเรื่องรูปธรรมเรื่องน้ำมาทมมันมองไม่เห็นแล้วก็ลักษณะเหมือนคว้าน้าเหลวลักษณะอย่างนั้น แต่ตามไม่จริงถ้าเราศึกษาให้ถี่ถ้วนดีๆตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราจะเห็นคุณค่าในทางนามธรรมมากกว่ารูปธปรรมเพราะนามธรรมจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้คนดีคนเลวทำให้โลก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 คนในยุคนั้นมีศีลธรรมได้รับการอบรมทางศีลธรรมศีลธรรมคืออะไรคือหลักเหตุผลหลักเหตุผลนัคืออะไรคือความถูกต้องถูกต้องขนาดไหนที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบหนึ่งบวกหนึ่งเป็น 2, สองสองบวกสองเป็นสี่อันนี้คือความถูกต้องทางโลกแต่ความถูกต้องทางธรรมสรุปแล้วก็คือศีลธรรม ในการอยู่ด้วยกันด้วยการอยู่ร่วมกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาแต่บางครั้งตกจุดนี้ก็ยังเคลื่อนคาดเคลื่อนอยู่หน่อยอบางทีใจเขาเขาชอบไปในทางเร็วชอบไปตังกินเหล้าเมายาสำ เ, เ, เมาเทเมาอย่างนี้แล้วเอาอะไรเอาเอาใจเขาไปใส่ใจเราอย่างนั้นใช่ไหมเอาใจเราไปใสปล่อยให้เขาไปอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ไม่น่าถูก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 ขึ้นมาฆ่าคนนี้ด่าคนนี้มีเยอ ะ, ะคนขาดเจติและทำแล้วมันถูกต้องไหมอันนี้ถ้าพิภาคษาดูก็ไม่ถูกต้องเพราะเหตุไรเพราะว่าเมาแล้วก็ขาดเจติทำความเสียหายนี่อันนี้คือถ้าว่าใจเขาใจเราอย่างเดียวก็น่าคิดอีกเหมือนกัน สรุปแล้วก็คือต้องใช้หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาเป็นกระจกเงามาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นเครื่องดําเนินชีวิตของพวกเราในหลักธรรมคําสอนท่านรับรองมาแล้วเป็นสวาขาตธรรมเรานํามาคิดมาพิจารณาไถ่ตรองเหตุและผลใช่เรื่องนี้มันมีเหตุอย่างนั้นแต่มันมีผลอย่างนี้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 เข้าไปเขาก็เสียใจเกี่ยวกับลูกของเขาได้จากไปเขาก็ถามว่าสมณะโคดมผมรู้สึกเสียใจในการที่ลูกได้ได้ลมหายตายจากไปท่านสมณะโคดมจะมีแนวความคิดอย่างไรนักสระอย่างนั้นถามความเห็นพระพุทธองค์ก็บอกว่า สิ่งไหนที่รักมากก็ทุกมากสิ่งไหนที่รักมากก็ทุกมากเพราะนั้นอย่าอย่ารักมันจะจะไม่ทุกพรามคนนั้นเขาได้ยินคำนั้นเขาก็ควันออกหูเหมือนกันคือว่าไม่พอใจทำไมสัมมโคโรมจึงมองในแง่เดียวตามไม่จริงความรักเนี่ยมันมีความสุขตั้งมีต่างเยอะ ไม่ใช่ว่ารักนะั่นจะทุกข์ทีเดียวมันรักมนะันมีความสุขทำไมยังไม่พูดว่าถ้ารักแล้วก็มีความสุขอันนี้บอกว่าถ้ารักมากก็ทุกข์มากทำไมสมณโคดมเอาคำไหนมาพูดจากนั้นเขาเขาก็ออกมาจากที่สนทนากับพระพุทธเจ้าเขามาก็มาพูดต่อวงสกาของเขาอีกคือวงไฮโลของเขาวงไฮโลก็แตกวงโอ้สมณะโคดม พูดอย่างไรอย่างไงไม่ได้ไม่ถูกนี่แหละกิเลสกับธรรมมันมันมันสวนทางกันนะผลในส่วนของออกมากมาพูดให้ใครต่อใครใครต่อใครฟังคําพูดคําเดือดท่าทุกวันนี้ก็คงจะออกวิทยุโทรทัศนะ์เนแต่สมัยนั้นมันไม่มีก็เลยออกมาสนทนากันแต่คําต่อคําคำต่อคามันก็กว้างขวางอีกเหมือนกันนะจนถึงเขาไปในรั้วในวัง่ ปยาประสิทิ์ที่โกศลอยู่ในเวียงหวังที่เป็นผู้ใหญ่ปกครองแผ่นดินกรุงสาวัตถีในสมัยนั้นปยาประเสิิ์ที่โกศลปกครองกรุงสาวัตถีเอ็นี้ปยาประเสิิ์ได้ยินนึกสิเอ๊ะมันก็จริงอย่างที่เขาพูดนี่วะ่ะทําไมพระทธองค์จึงตัดอย่างนี้วะ่ะบอกอย่างนี้วะที่นางมัลลิกาที่เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าโกศล กาลังในชชว์นั้นกำลังจะล้อมวงสเสวยเน่ยใค่าว่ามีเสนาอัมมาต ร, ราชสวเวกทั้งหลายที่เข้ามาร่วมวงสเสวยเดียนี้พระพยาประสิก็เอ่ยปากขึ้นว่านี่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าได้ตรัานี้ออกมาให้แก่คนทั้งหลายเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายกำลังฮือหากันอยู่ทั่วกรุงสวัสถ์สีสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นทุกมาก เพราะนั้นพวกเราเนี่ยให้ข้าบูชาความรักถ้ามีท่ารักมากแล้วก็มีความสุขถ้าใครก็ตามอยู่ด้วยกันแต่รักแล้วก็มีความสุขแต่สมณะโคดมพทธเจ้าเดี๋ยวทำไมจึงบอกว่าสิ่งไหนที่รักแล้วองนั้นทุกมากแต่ได้กําลังสนทนากันนางมณิกาเป็นผู้เลิศทางปัญญาท่านก็เสนอขึ้นในที่ประชุมว่า พระเจ้าข่าทีฉันขอแสดงความเห็นพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นที่ทุกมากอย่างหม่อมฉันหรือพระองค์พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนรักประเทศชาติไหมรักหม่อมฉันรักครอบครัวไหมรักบริวารไหมรักประเทศชาติไหมพระเจ้าประเสริฐมารัก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 ถ้าเราไม่รักถ้าเห็นคนเราไม่รักไม่มีอะไรถ้ามันจะพดัดภากไปเราก็ไม่เห็นต่ทุกจะทุกใจกับเขาเพราะเห็นอะไรเพราะเราไม่ได้รักกับ เ, เราไม่ได้รักกับในสิ่งเหล่านั้นเท่าแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาที่เรารักมากอย่างแหวนวงนี้เรารักมากสร้อยสายนี่เรารักมากราคาแพงมากรักมากถูกใจเรามากถ้าเพชรนิน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 วงหรือเชนนั้นอันนี้ก็เหมือนกันสมบัติจิงใดก็ตามที่เรารักมากถ้าพัดภาคจากไปเราจะทุกมากพระเจ้าค่ะพระเจ้าประเสียนได้ยินคำเท่านั้นใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องยอมรับพอยอมรับแล้วก็นัน่งลงเดียวนั้นหันหน้าไปทางวัดป่าเชตตะวัน เอาผ้าเสเวียงปาเอาผ้าเสเวียงบาเนี่ยเอาภาคงทุกวันนี้ก็คงจเอาผ้ากำมะเสเวียงบาเนเหมือนกับคนแก่คนเฒ่าเข้าวัดแล้วก็เวลาจะกราบผ้านี่ยคือเอาผ้าเสเวียงบาซะก่อนแสดงความเคารพจากนั้นก็นั่งประนมมือหันพระพักไปทางวัดป่าเชิตะวันก่าวนะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะกาวนโมสามจบ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพูดถูกพูดถูกต้องเนี่ยข้าพเจ้ายอมรับถูกต้องที่พระองค์พูดะที่พระองค์ตรัสมานั้นสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นทุกมากเนียเพียงคําเดียวเท่านั้นก็ยังใช้เฉไปจนเป็นจนเป็นมาในพระไตรปิฎกกระทั่งทุกวันนี้ถ้าพวกเรานำมาคิดดูสิว่า คำพูดแต่ละคำเนี่ยถ้าเราไม่ได้นำมาคิดมาพิจารณาให้ทีท้วนลึกซึ้งแล้วมันจะต้องตีความหมายไปนานับประการเหมือนกันอย่างทุกวันนี้บ้านเมืองยุ่งเหยิงบุ่นวายเนี่ยหลวงพ่อว่านี่มันมีส่วนมากๆเลยตีความหมายในแต่ละคำออกไปคนหนึ่งตีไปถึงคนหนึ่งตีไปถึงผลสุด ไ, ไม่รู้ใครจะเป็นผู้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 เรื่องลาบเรื่องยศชันสรตรสุขพวกเราก็จะเจอแต่เรื่องราวต่างๆถึงจะเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายเนี่ยเลี้ยงเข้าไปแล้วก็แก่เท่าชราไปเรื่อยๆผลได้สูงก็ถึงจุดจบเลี้ยงร่างกายที่เราสองแสวงหาทุกบาดทุกสตังตื่นมาไม่ได้หลับไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนเออ กางวีกลางวันสะแสวงหาทรัพย์โตเป็นเกลียวก็เพื่อมาเลี้ยงร่างกายเลี้ยงครอบครัวให้มีความผาสุกอันนี้ถูกไหมก็ถูกแต่ว่าเราจะไปเลี้ยงแต่ร่างกายอย่างเดียวจะไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะเข้าสู่จิตใจเสียเลยไม่ได้สนใจเรื่องนามธรรมสเสีเยเลยพูดไลยวว่าไม่ถูกไม่ถูกต้องท่าทางที่ถูกคือเอาทั้งสองอย่าง ทางโลกเราก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องอเลี้ยงร่างกายหรือว่าการสวัสวงหาทรัพย์ปัจจัยสี่อย่าให้ขาดตกบกพร่องไม่มีตำราเล่มไหนหรือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าบทไหนคาถาไหนคำกล่าวไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ให้ขี้เกียจเนะให้อยู่เฉยๆนะใ ห, ให้เป็นผู้ขี้เกียจทำการทำงานนะไม่มีตำราไหน พระพุทธเจ้าหมบอกว่าอุทานะอารคะสัมมาชีวิตาไปอ่านไปศึกษาดูในพระไตรปิฎกเยอะแยะไปมีแต่พระพุทธเจ้าสอนสั่งให้พวกเราหมั่นขยันในการสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์และก็เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีจากนั้นพณนก็สอนเข้ามาสู่ด้านจิตใจอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับโรควัตะสงสารจนเกินไปนะ โลกกับใบนี้ถึงจะเป็นอย่างนี้เกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้ละเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ต้องเจนเป็นอย่างนี้อีกพูดใหญ่กระทุกสมใหญ่ผู้น้อยก็ทุกสมน้อยจนกระทุกสมจนรวยกระทุกสมสมรวยแต่โดยมากคนเพราะว่าทุกรวยดีกว่าทุกจนถ้าทุกจนโอ้มันทุกจริงๆแต่ทุกรวยนะคล้ายๆว่าลุกทุกความคิดนี่ที่จะปกป้อง ในเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆเพื่อจะให้ไปสำเร็จตามความมุ่งมาดปรารถนาก็เป็นทุกข์ในใจอยู่นี่แหละอันนี้ก็คือการเกิดแต่ทำยังไงจึงจะไม่ให้มาเกิดเนี่ยจุดนี้แหละเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักต่อพุทธบริษัทสี่ของพระองค์ ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ฝ่ายปฏิบัติหรือว่าเป็นฝ่ายพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติฝ่ายภายในเนี่ยท่านจะเน้นหนักเรื่องเนี่ยเรื่องนมามธรรมจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เออบางทีก็ถูกน้ําท่วมบางทีก็ถูกไฟคลอกเออไม่เจอเรื่องหนึ่งก็เจอเรื่องหนึ่งแต่เจอเรื่องตายเนี่ยแน่ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้มรณะภัยคือความตาย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 การพระพุทธองค์ตรัสว่านะคือวิญญาณคือใจที่มองไม่เห็นเนี่ยออกจากชาตินี้จะไปไหนถ้าว่าคนมีบุญก็ไปเกิดไปเป็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรมหรือ่ า, าเกิดเป็นมนุษย์อ๋อเป็นมนุษย์ที่มีตระกูลคนที่มีบุญเกิดมาแล้วก็สมบูรณ์มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงมีเงินคำทรัพย์สมบัติไม่ขาดตกบกพร่อง อย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็สมบูรณ์ด้วยอันนั้นคือผู้มีบุญมาเกิดแต่ผู้มีบาปมาเกิดอันนี้สงทานดีอยู่แต่อันนี้สงสินไม่ดีอันนี้สงทานคือทำบุญทำทานมากมามากม า, กมากมายมหาศาลไปเกิดแต่ไปเกิดขึ้นมาแล้วสุขภาพไม่ดีเพราะอันนี้สงสินเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากเกิดมาแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปตั้งแต่อยู่ในท้องน่น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 แล้วก็มีกาละละกาละละคือน้ำผสมกันก้อนหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งคล้ายคายกัเท่าก็จดน้ำมันงาพระพุทธองค์ตรัสไปอย่างนั้นนะในพระไตรปิฎกเหมือนกับน้ำมันงาหยดหนึ่งใสใสติงเลยพอต่อมาอีกเจดวันน้ำมันงานจะเป็นขุ่น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 พอต่อมาก้อนเล็กเกลื่อนเกินันใหญ่ขึ้นมาเพราะใหญ่ขึ้นมาเนี่ยกระดุกกระเดกได้เนี่แหละวิญญาณเข้าไปแล้วแต่ไหนวิญญาณคืนนา ม, มาธรรมผู้ที่เป็นผู้ที่มีบาปก็ไปยึดเออในไปเกิดในท้องเออที่จะเป็นพร้อมที่จะหูหนวกตาบอดบ่าใบขากุดขา ข, าขาดเออเป็นอะไรเป็นได้ทั้งนั้นสมองฟอ เกิดมาแล้วเป็นบ้าเป็นเออเป็นอะไรเป็นได้หรือเกิดมาแล้วก็เป็นคนดิบคนดีบุญพาไปเกิดไปยึดตัวนั้นอ่ะไปยึดร่างกายอยู่ในท้องแม่จากนั้นกับถึงกําหนดก็คลอดออกมาเนี่ยคลอดออกมา ก, กันเนี่ยวิญญาณนดะ้เข้าไปยึดของร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ย นี่แหละปฏิสนธิในการเกิดเพราะพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นอันนี้คื อ, คอการเกิดออกมาเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วก็พัฒนาตัวเองเลยพ่อแม่ก็แนะนำสั่งสอนเพราะข่าวกอดมันก็ลืมไปแหละทำไมจึงลืมพวกเราคิดคิดดูสิว่าแต่สมัยเราเป็นเด็กมาถึงขนาดนี้เราก็ยังจำไม่ได้ทุกอย่าง อันนี้ข้ามพบขันชาติสมองก่อนเขาเผาไปแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าเผาไปแล้วอแล้วก็มีแต่ใจขึ้นมาก็มาหาซ่องสร้างคอมพิวเตอร์ใหม่อีกมันก็คงจะหลงลืมไปนะตัวนั้นมันมันลืมไปแล้วเอจนกว่าที่เราได้มาบําเพ็ญได้ฌานสมาธิทําใจให้สงบได้ญาณรัศน์ได้ฌานาขึ้นม า, นนนาแคงนั้นแหละเราจึงระลึกชาติยาวเยียดเลยจ้ะเนี่ย สุดแท้แต่เครื่องมือใครได้มากน้อยอย่างพระพุทธเจ้าท่านเครื่องมือของท่านบริบูรณ์เป็นสยามภูพอท่านได้ตัดรู้ท่านั้นแหะท่านรู้ได้หมดเลยท่านเองว่าพบชื่อแล้วชาติที่แล้วเป็นยังไงชาติก่อ น, นของใครก็รู้อีกต่างหากท่านเอ น, นี่ถ้าเป็นวัชยมผูแต่พระหันเ ต, ตวิโชชละพิญโยปฏิสัมพิทัปโตพระหันสามจำพวกท่านก็รู้ได้อีกเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกันน ะ, ะขีดความสามารถต่างกันอยู่พระรหันต์แต่พระรหันต์สุ ข, ขะวิปัสสโกเนี่ยมัน ไ, ไม่รู้แต่รู้แต่ว่ากิเลสหลุดออกจา ก, กจิตใจเท่านั้นเองอันนี้ก็คือการปฏิจนธิและการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นผวกเราคณะสัตยาติโยมทุกๆคนนะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยนี่แหละท่านเน้นหนักเรื่อง นามธรรมมากกว่ารูปธปรรมนะนามธรรมนี่ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดการเกิดการปฏิสนธิและการสวยขึ้นมาจนเป็นรูปร่างขึ้นมาเนี่ยแต่ท่านให้นามให้ความสําคัญตรงที่เข้าไปยึดเข้าไปปฏิสนธินะเข้าไปยึดร่างกายนะทําให้กระดุกกดิกได้แล้วก็ขับรถออกมาจากท้องแม่กับมาร่างกายของเราออกมาจากนั้นก็เป็นตัวของเรา จากนั้นก็พัฒนาจากนั้นก็เอาศีลธรรมจริยธรรมเข้ามาสู่จิตใจแต่วิญญาณดวงนั้นก็เคยทําบุญทําบาปไว้ในอดีตอีกเหมือนกันนะอย่างพระพุทธเจา้าท่านบำเพ็ญมาเรื่อยๆเกิดมาพบในชาติใดก็มีถามว่าท่านปรารถนาอะไรปาถนะเป็นพระพุทธเจา้าเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ปรารถนาอย่างอื่น ให้ก็เป็นเป็นติดนิสัยมาตั้งแต่ดึกตําบันยาวนานแต่ผู้ที่ปานาเป็นสาวกก็บอกข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารขอจะได้มาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้เถอะทุกข์ย่ลำลําบากเหลือเกินถึงเป็นเศรษฐีกระทุกตามเศรษฐีเป็นพ่อค้ากระทุกตามพ่อค้าเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกตามที่พวกเราเกิดมาจากนั้นก็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 โดยเทินอันนี้คือ ค, อความปรารถนาของภาษาวกแต่พวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อวัดพวกเราก็น่าจะปรารถนาอย่างนั้นเหมือนกันนะทำบุญทาทานให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติสั่งสมคุณงามความดีมากน้อยเราขอให้ดวงตาเห็นธรรมพ้นทุกนวัตะสงสารอย่าได้มาเวียนไห้ตายเกิดนั่นลนะะถูกต้องที่สุดแตวก่อนที่จะทาอย่างนั้นได้เราไม่ใช่ว่าจะ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 เหมือนกับ น, น้ำอยู่ในตุ่มในโอค์ของเราฝนะดไม่ตกมาเพิ่มเเลยมันเกิดแห้งไปเรื่อยๆตามมาเพิ่มเติมเข้าเรื่อยๆตุ่มไปด้านก็รู้สึกว่าน้ำก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าว่าเราไม่ได้เพิ่มเพอิ่มเพิ่มก็มแห้งไาา่เหมือนกันน้ำมันถูกอากาศเหมือนกับน้ำอยู่ในตุ่มเพราะเหตุไรเพราะเราออกขันหลังเข้า หันหลังต่อวัดวาศาสนาหันหลังต่อคุณงามความดีมันกลับไปหันหน้าต่อความชั่วไอ้ที่ไหนเนีเน่นี่แหละมันแห้งนะทำให้ใจของเรามันแห้งหันหน้าต่อความชั่วไม่รู้อะไรทั้งจูราทั้งนาลีพาชีกีลาบัตสิ่งไหนที่ตัวเองชอบว่าคว้ามาใส่ตัวเองเนะนี่แหละใจของเราก็แหกเหงือดแห้งไปธรรมะก็ค่อยแห้งแห้งแห้งลงฮนะนี่แหละเพราะนั้นพวกเราอย่าให้มัน อย่าให้มันแห้งเกินไปพวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะสั่งสมคุณงามความดีนะวันนี้พูดจะ ย, ยืดยาวนะอตอนนี้ไปรับพรอนุอมโมทนาให้พร